ถามฟังปู่เทศโปรดคราวนี้เราก็าฟ้าดินสล่มทีเดียวแหละหลานชื่นใจไม่เสียชาติเกิดได้ดื่มทาที่ปู่เทศโปรดวันนี้อย่างถึงใจแต่ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดๆปู่ขอให้โปรดเมตตาด้วยตอบโปรดอะไรอีกก็โปรดมามากต่อมากจนไม่มีอะไรจะโปรดแล้วเหลือแต่ขันที่หายใจเขมเหลาแม ล, แมลรอเวลาจะแตกดับอยู่เท่านั้นขอให้โปรดเรื่องอะไรว่ามาถามคาว่า บาบุญนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้มีอยู่โลกไหนกันแน่ปูตอบมีอยู่ในถ้ำกลางแห่งโลกมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เปรตผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมม่ใช่ต้นไม้ภูเขาไม่ใช่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่วัตถุแร่ธาตุต่างๆในโลกสมมตินิพพานมีอยู่ในวิมุตสถานแต่ไม่ใช่มีอยู่ในชื่อที่ว่านิพพานนิพพานและวิมุตติธรรมที่กล่าวถึงเหล่านี้มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุบุคคลใดสิ่งใดทั้งสิ้นสิ่งที่จะรับทราบธรรมเหล่านี้ได้ม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายและไม่ใชว่วิชาทางโลกทุกๆแขนงและเรียนวิชาธรรมจนจบพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้ปฏิบัติตลอดเครื่องพิสูจดนใดๆที่โลกใช้กันมีใจเท่านั้นที่ปรับตัวด้วยหลักธรรมคือด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติและรู้เห็นประจักษ์พระทยัยและใจมาแล้ ว, ม า, ลวมากต่อมาก จนไม่อาจนับอ่านจำนวนท่านได้ท่านเหล่านี้แม้พระองค์และองค์เดียวไม่ได้ถามกันและถามใครเลยใครเลยทรงปฏิบัติจิตภาวนาโดยหลักธรรมที่จะทำให้รู้ให้เห็นก็ทรงรู้ทรงเห็นและรู้เห็นขึ้นกับตนเองฉะนั้นการที่จะแก้ความสงสัยให้หายในบา ป, ปุลเป็นต้นนั้นต้องพิสูจน์กันด้วยการปรับจิตใจโดยการปฏิบัติธรรมมีจิตภาวนาเป็นสาคัญจนรู้เห็นประจักษ์ใจแล้ว ความสงสัยแม้จะเคยครองหัวใจมาตั้งกับตั้งกันหรือตั้งแต่วันเกิดก็ดับพูบลงในทันทีไม่ได้อ่างการเวลาที่เคยยึดปรองหัวใจมาเลยเช่นเดียวกับความมืดแม้จะเคยมืดมาตั้งกับตั้งกังกนก็ตามเพียงเปิดไฟสว่างจ้าขึ้นเท่านั้นความมืดก็หายไปเองโดยไม่ได้อ่านการเวลาที่เคยมืดมาฉะนั้นการรู้เห็นบา บ, บุญเป็นต้นตลอดสัตริธรรมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่จําต้องมีการสถานที่มาเกี่ยวข้องและกีดกันความจริงเท่านั้นจะเปิดความจริงขึ้นมาให้ผู้ปฏิบัติจริง ได้รู้เห็นความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายได้ประจักษ์ใจโดยไม่อ้างการว่าสมัยโน้นสมัยนี้เพราะทําเป็นปัจจุบันนเป็นปัจจุบันธรรมตลอดมาแต่การไหนๆแม้สว่าขาจะมที่ตรัสไว้ก็เป็นปัจจุบันธรรมสดๆร้อนๆควรแกการนำมาพิสูจน์สิ่งลี้ลับทั้งหลายซึ่งก็เป็นปัจจุบันธรรมเช่นเดียวกันได้อย่างไม่มีปัญหาที่เป็นปัญหาอันใหญ่ัวในหัวใจสัตว์ไม่ให้มองเห็นความจริงทั้งหลายได้ก็มีกิเลสตัวทําให้มื่นบอดอย่างเดียวเท่านั้น คาสร้างบาปและลงนรกทั้งที่มันโกหกว่าบาปไม่มีนรกไม่มีแต่สัตว์โลกโดนไม่หยุดหย่อนผ่อนคลายบ้างเลยส่วนบุญสวรรค์นิพพานไม่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นธรรมชาติที่มันไม่ต้องการให้สัตว์โลกคิดและสนใจอยู่แล้วทั้งนี้เพราะขาดผลรายได้และนโยบายของมันว่างไงที่นี่ปู่ได้อธิบายให้จนหมดพุงแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อทําก็มีเท่านี้ไม่สามารถจะอธิบายให้ละเอียดกว่านี้ได้ประการหนึ่งจงทําความเข้าใจไว้ว่า คำว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีนั้นธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่ทํานองเดียวกันกับคําว่าธรรมมีอยู่แต่ไม่สามารถสัมผัสธรรมชาติเหล่านี้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายได้เพราะเพราะม่ใช่วิสัยของกันและกันมันเป็นอาถารพณ์คือเป็นไปไม่ได้มีใจเท่านั้นสามารถสัมผัสได้แต่ผู้เดียวเมื่อปรับใจด้วยภาคปฏิบัติให้เหมาะสมกับธรรมชาตินั้นและทําขั้นนั้นๆแล้วความจริงก็มีเท่านี้ถาม ทำไมสมัยนี้คนชอบทําบาปทุจริตกันมากปู่ดูตั้งหน้าตั้งตาทํากันเป็นล่ําเป็นสันจริงๆใครไม่ทําบาปทุจริตเท่ากับไม่เต็มคนกลายเป็นคนขาดบาตขาดเต่งไปตอบปูบ่บวชมาไม่เคยทําบาปด้วยเจตนาเลยแม้นี่เดียวพระเนรในวัดปู่นี้ก็ตั้งหน้าทําบุญกุศลบําเพ็ญภาวนากันอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆถ้าเป็นตามคําตําหนิที่เขา ว, ว่าไม่เต็มคนปู่และพระเนรในวัดนี้ก็ไม่เต็มพระเต็มเนรคงขาดบาตขาดสลึงไปดังคําตหนิ แต่ธรรมวินัยของปู่และพระเนรไม่ขาดบาดสลึงปู่และพระเนนก็ไม่เดือดร้อนพระขาดบาดขาดสลึงเหล่านี้ก็เห็นอยู่กันสงบสุขดีนี่ไม่เห็นดิ่นรนกรวนกวายอันเป็นลักษณะพระเนน บ, า บ, า บ, าบา่าวบบเพราะขาดบาดขาดตะเต็งเลยตำหนิก็ให้เขาตำหนิไปทำบาปทุจริตก็ตามนิสัยของเขาแต่เราอย่าตำหนิอย่าทำกับเขาก็แล้วกันจะกลายเป็นคนเกินบาปก็ยิ่งจะไปกันใหญ่ลองคิดดูก็แล้วกันสมมุติว่า มีเงินจริงตามกฎหมายรับรองอยู่หบาทและมีเงินปลอมรวมอยู่ด้วยสิบาทหลานจะเอาเงินจํานวนไหนเอาจํานวนเงินจริงหบาทปูทําไมไม่เอาเงินจํานวนสิบบาทเล่ะไม่เอาเพราะเอามาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีถูกเขาจับกหญิงจะเป็นโทษใหญ่เพิ่มพิออีกส่วนเงินจริงได้มาเท่าไรก็สำเร็จประโยชน์ตามจานวนของมันทั้งไม่เกิดโทษแต่อย่างใดมีมากเท่าไรยิ่งดีนี่แหละหลานระหว่างคนดีคนสุจริตกับคนชั่ว คนทุจริตก็เช่นเดียวกับเงินปลอมแม้มีจํานวนมากกับเงินจริงแม้มีจํานวนน้อยใครๆเขาให้ปรารถนาคนชั่วคนทุจริตแต่คนดีคนสุจริตมีมากน้อยโลกต้องการและปรารถนากันคนชั่วคนทุจริตมีมากน้อยย่อมเป็นภัยแก่ส่วนรวมตลอดประเทศชาติไม่ใช่ของดียิ่งมีมากและมีอํานาจอิทธิพลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําความชั่วเสียหายได้มากดีไม่ดีคนและสมบัติทั้งประเทศอาจอยู่ในเงื้อมมือหรืออยู่ในปากในท้องเขาหมด บ้านเมืองร่วมชมได้เพราะคนชั่วคนทุจริตไม่อาจสงสัยส่วนคนดีคนสุจริตมีมากน้อยย่อมเป็นคุณแก่ส่วนรวมตลอดประเทศชาติยิ่งมีอำนาจและอิทธิพลมากก็ยิ่งทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้มากใครก็ต้องการและปรารถนากันทั่วโลกฉะนั้นคนประเภทนั้นจึงไม่ใช่เป็นคนดีวิเศษและน่านับถืออะไรเลยแม้เขาจะไปเที่ยวคดโกรงรีดไถ่ามาได้มากเพียงไรก็อย่าหลงยินดีและอัศจรรย์เขานั่นคือสมหัติเป็นพิษแก่ตัวเองครอบ คัวตลอดไปถึงลูกหลานเหลนไม่มีประมาณนั่นเป็นสมบัติกาฝากคอยดูดซึมผู้เป็นเจ้าของให้เสียคนไปโดยลำดับทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีจบสิน้นนั่นคือสมบัติปลอมย่อมเป็นโทษทานแก่ผู้สแสวงมามากน้อยเช่นเดียวกับทนบัตรปลอมที่มีมากน้อยในครอบครองนั่นแหลอย่าไปหลงยินดีซึ่งเท่ากับหลงจับไฟจะร้อนและแผดเผาเจ้าของไม่มีจบสิ้นลงได้ถาม คนที่มั่งมีเพราะการแสวงหาดังกล่าวมาก็เห็นเขาอยู่สบายยังมีหน้ามีตามีคนเคารพนับถือมากมายนี่ปู่ตอบการมีหน้ามีตามีคนเคารพนับถือนั้นม่ใช่ฐานะจะไปลบล้างบาปกรรมที่เขาทําได้หน้าต้องเป็นหน้าตาต้องเป็นตาเคารพนับถือก็ทราบว่าเคารพนับถือแต่ทําชั่วต้องเป็นชั่วบาปต้องเป็นบาปทุจริตต้องเป็นทุจริตโทษต้องเป็นโทษไฟต้องเป็นไฟจะนํามาลบล้างกันไม่ได้ถ้าได้ทําก็ไม่ใช่ทํา ทำต้องเป็นบ่อยของกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะจันหาไปนานแล้วบาปต้องไม่มีเพราะถูกการทําชั่วทุจริตสังหารเอาเกลี้ยงสัตว์โลกไม่ไม่ต้องมีทุกมีบาปติดตัวนรกก็แตกถูกกิเลสทําลายหายสูญแต่ความจริงไม่เป็นเช่นความเสกสรรนั้นต้องเป็นความจริงตลอดไปไม่เป็นอื่นเพราะความจริงไม่เคยเป็นน้อยและอยู่ใต้อํานาจของผู้ใดฉะนั้นทำจริงเป็นรำเสมอมาไม่มีอะไรหลบลางได้ ด้วยเหตุนี้หลานปู่จงเป็นหลานปู่อย่าเป็นหลานชั่วหลานทุจริตทำลายบาปกรรมและมอดนรกให้แตกและอย่าเป็นหลานของความโลภมากได้เท่าไรไม่พอเที่ยวคดโกงทุจริตรีดหายด้วยเหล็กคนต่างๆเวลาตายสมบัติปลอมกอง ม, อมาถมาทะปูเขายังจะตามเผาผลาญเข้าไปอีกให้ลงนรกหลุมไหนใครๆไม่อาจมีญาณทราบได้จึงรีบระวังตัวกลัวบาปเดินตามจอมปราดผู้มีปริชาญาณอันแหลมคมเสถียรนี้ ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีเป็นสุขใจเวลาตาไปก็เป็นสุขความดีที่สร้างมาตามสนับสนุนให้มีแต่ความสุขความสํานานบานใจไม่มีฟืนไฟบาปกรรมตามแผดเผาเพราะความเชื่อพระพุทธเจ้าและทําตามาศาสนธรรมอันเป็นทางราบเรื่นดีงามจัดเป็นคนฉลาดโดยธรรมนําตัวไปสุขติคือโลกทิพย์ไม่สงสัยดีกว่าคนเสน จ, จันไรหลายร้อยเท่าพันทวีซึ่งดีแต่คุยโม่โอ้อวดด้วยลวดลายว่าฉลาดแหลมคมเวลาเข้าตาจนแล้ว ก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำหลานจำไว้ถึงใจอย่าได้ลืมว่าไม่มีใครฉลาดแหลมหลักนักปราชาติอาชาในมองเห็นการใกล้และการไกลยิ่ยงกว่าพระพุทธเจ้าจงยึดท่านเป็นหลักชีวิตจิตใจอย่าได้ลดลาบปล่อยวางจะเป็นสิริอุดมมงคลแก่หลานเองและส่วนรวมไม่มีประมาณปู่นี้แก่มากแล้วไม่นานก็จะตายลูกหลานจะได้สืบศาสนาไปนานโลกจะไม่ว่างจากความสงบสุขและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบๆกันไป เอาละขอจบสียทีถามในธรรมท่านสอนพระว่าให้ยินดีในความสันโดษมากน้อยดังในสันเลขธรรมสิบประการคราว่าถ้าปฏิบัติตามธรรมสันโดษและความมากน้อยจะครองชีพไปตลอดไหมบางครอบครัวมีลูกมากญาติมิตรเพื่อนฝูงมากถ้าหาได้น้อยไม่พอกินพอใช้จะไม่เดือดร้อนแก่ครอบครัวเช่นนั้นหรือปูส่วนครอบครัวที่มีลูกน้อยคนผู้เกี่ยวข้องที่คนเลี้ยงดูมีน้อยก็พอํานาไม่เดือดร้อน โปรดชี้แจงให้หายข้่องใจด้วยเถิดตอบทำท่านไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจอ่อนแอท้อแท้เลหลีวไหลในการงานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงตัวและครอบครัวแต่ท่านสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรและอดทนเมตไม่เลือกงานอันเป็นที่มาแห่งผลเพื่อรายได้เพียงพอกับความเป็นอยู่ใช้สอยไม่ฝืดเคืองท่านสอนว่าจงเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้ไม่จ็บจับวางวังเยายาะแยแยในการทํางานหนึ่ง ได้สมวัตมามากน้อยให้มีการเก็บรักษาไม่จ่ายสุริสุราหแบบหาขอบเขตเหตุผลไม่ได้หนึ่งการเลี้ยงชีพในครอบครัวให้พอเหมาะพอดีกับคามจำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยจนเลยฐานะและความจําเป็นหนึ่งไม่คบเพื่อนฝูงที่เป็นพานผานทรัพย์คอยแต่จะกัดจะแทะจะเขี้ยวจะกลืนสมบัติและความประพฤติให้ลงเหวลงบ่อนหนึ่งทำ่านสอนมาอย่างมั่นเหมาะทุกแง่ทุก ม, มุมถ้าเราไม่คว้าเอากิเลสตัวโอดดีมาทําลายทําเหล่านี้ให้พินาศจิบหายไปเราต้อง ตั้งตัวได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยการเก็บรักษาทรัพย์และจ่ายทรัพย์ตามความจําเป็นด้วยการเลี้ยงชีพพอประมาณไม่ฟืดเครื่องและฟุ่มเฟือยด้วยความไม่สมัครรักชอบในคนพาลสันดานเลวความประพฤติเหลวแหลกแวกแนวเราต้องเป็นคนดีมีผลจากทรัพย์และศีลธรรมประจําตัวไม่กลัวใครตำหนิและดูถูกเหยียดยามโดยประการใดๆทำสันโดษคือความยินดีในสมบัติมากน้อยที่มีและอยู่ในความครอบครองของตน นี่ก็เป็นความพอดีเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วสําหรับมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกกันคําว่าความยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนนั้นแม้สมบัติจะมีมากกองทะบุเขาทำท่านก็ไม่ได้ห้าวว่ามาให้ยินดีพระมากเกินไปแต่ท่านห้ามไม่ให้ยินดีและสอแสแห่งสมบัติที่นอกไปจากของมีอยู่ของตัวต่างหากเช่นไร่นาที่เดียนสมบัติพระสถานของตนมีเท่าไรก็ให้ยินดีเท่าที่มีนั้นเท่านั้นมาให้ไปเที่ยวยินดีในสมบัติของคนอื่นยิ่งเป็นเมียเขาด้วยแล้วทํามาอยากโวแบะอย่าไปแย้มเป็นอังคาร แม้แต่ปู่เองยังจะเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนได้โดยไม่ขาดคิดมาก่อนจะว่าอย่างไงยังเหลือเพียงเส้นยาแดงเท่านั้นจะฟันคอคนให้ขาสะบั้นและและว้วก็ตกนรกทั้งเป็นในตารางครั้งเข้ามาเป็นชู้กับเมียปู่นะจงทราบว่าไม่มีอะไรจะเด็ดขาดและฉีบขาดเท่าใจคนเมื่อถึงเหตุการณ์และเวลาอันฉีบขาดแล้วปู่เคยประจักษ์กับตัวมาแล้วฉะนั้นจงเชื่อทำสันโดษ ย, ยินดีเฉพาะเมียผัวของตัวเท่านั้นอย่าไปเยื่ยยายใฝ่ใจกับเมียผัวของเขา ถ้ารรมียาคอขาดและเป็นผีไม่มีเจ้านะ่ะปู่จะบอกชัดๆอย่างนี้ให้หลานๆพากันจดจําทําสันโดษกับความมาักน้อยในหญิงชายไปรักษาตัวและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดด้วยทำสองข้อนี้อย่าให้มันดิ้นได้เป็นอันขาดยิ่งอปิจชตาความมักน้อยด้วยแล้วยิ่งเหมาะมากกับครวัตผู้โลเลในราคาตันหายิ่มไม่เป็นนํามาปฏิบัติทำนี้ท่านหอยินดีเฉพาะคู่ครองคือผัวเมียของตนโดยเฉพาะเท่านั้น มให้ยินดีฝ่ใจกับชายอื่นหญิงอื่นเป็นอันขาดทำท่านช่วยรักษาหัวรักษาคอของเราให้คงทนไปด้วยกันไม่ให้หัวกับคอพลัดพรากจากกันด้วยคมมีดคมกวนเพราะความมากมากอยากไม่มีวันอิ่มพอทำลายปกติมนุษย์หญิงชายในโลกมีหลายปากหลายใจก็มีปากเดียวใจดวงเดียวนั่นแหละแต่มันกินไม่เลือกเราก็มีรอยปากพันปากอะไรอะไรก็จะกินก็จะกินอะไรอะไรก็จะเอาก็จะเอา ไม่มีคำว่าท้องเรามีท้องเดียวปากชนิดตันหาถือบางเฮียนกระตุกเชือกนี้มันไม่คํานึงถึงทองและเหตุผล ใ, ใดทั้งสิ้นมีแต่จะกินให้สมอยากปากด่าให้สมกับความเครียดแค้นมโมโหท่าเดียวใจก็มีใจเดียวนั่นแหละแต่ความคิดความอยากมันผลักดันให้แต่แขนงออกไปเป็นหมื่นเป็นแสนใจจนไม่สามารถคัดเลือกได้ว่าความคิดนี้เป็นดีความคิดนี้เป็นชั่วเพราะมันกลมกลืนกันจนมองหาตัวจริงใจจริ ง, รงไม่เจอโน่นจึงต้องนําทำสองข้อคือความสันโดษ ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนและความมากน้อยในอารมณ์แห่งรักรตั้หามาปิดปากปิดใจมาให้มันดิ้นรนขนทุกข์มาเผาตนและครอบครัวเพราะไฟตันหานี้ร้อนมากยิ่งกว่าไฟอื่นใดร้อนเข้าถึงตับถึงปอดถึงคู่หัวใจเครื่องในพังทลายเพราะมันไม่อาสงสัยและหลานจงจําไว้ให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงความจริงของธรรมสองข้อนี้จะพากันอยู่ด้วยความสงบสุขเย็นใจทั้งครอบครัวผัวเมียลูกเล็กเด็กแดงสถานที่อยู่สมบัติเงินทองสิ่งของใช้สอยจะเย็นไปตามๆกัน พ่อบ้านแม่เรือนที่เป็นคนดีมีธรรมระดับใจและหลานพอใจทำสองข้อนี้มากประทับใจจริงๆอยากให้คนอื่นๆเขาฟังบ้างจะได้ทำนี้ไว้ป้องกันตัวในเวลาฉุกเฉินเพราะเรื่องคนร้ายปากร้ายใจนี้นับวันมีมากถ้าไม่มีธรรมนี้เป็นยาประจําบ้านกวนาครัวจมูกพังเพราะหวัดประเภทนี้ชุกชมไม่มีฤดูการสถานที่เลยทุกวันนี้ทั้งไม่เว้นชาติชั้นวันนะฐานะมีหรือจนคนเง้นคนงอคนโง่หรือคนฉลาดตลอดเพศวัยเลย ต่างตั้งหน้าต่างตาทรงเสรมาวัดประเภทหน้าด้านสนาเลวนี้ยังออกหน้าออกตาแถมยังว่าเป็นเกียรติอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ระบาดทั่วดินแดนแทบไม่มีสถานที่การเวลาเหลืออยู่แล้วทุกวันนี้หน้าวิตกต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจริงๆเฉพาะเด็กวัยรุ่นนั้นหน้าวิตกและน่าสงสารมากที่จะกลายเป็นเด็กเกเรไปตามโรคพนีกันเสหมดจึงอดคิดไม่ได้เมื่อได้ฟังทำสองข้อนี้จากปู่แล้วแล้วจะแก้ไขอย่างไรจึงจะมีผลดีต่อผู้ใหญ่และส่วนรวมตลอดเด็กๆที่ราวกับว่า เตรียมพร้อมเพื่อจะลงเหวลงบ่อลึกกันอยู่แล้วเวลานี้ปู่โปรดด้วยตอบใจที่หมดคุณค่าในธรรมที่มีคุณค่ามากย่อมทําได้ทุกอย่างบรรดาสิ่งตำซ้ำทั้งหลายโดยไม่สถุกสถานเวลาผลของความต่ําซ้ำเกิดก็ไม่สะทกสถานเกิดได้กับบุคคลทุกชาติชั้นวรณะและเพศวัยไม่เลือกว่าเป็นบุคคลเช่นไรเกิดได้ทั้งนั้นไม่ลําเอียงขอแต่ทําลงไปเท่านั้นผู้จะแก้โรคหมดคุณค่าเหล่านี้ก็คือคน ทำเครื่องแก้ที่ท่านสอนไว้ก็มีอยู่กับทุกคนที่จะนํามาแก้ไม่มีอะไรผู้ใดได้เปรียบเสียเปรียบถ้าตัวผู้ทำมายอมเสียเปรียบให้ตัวเองเพราะความไม่เอาไหนความไม่สนใจแก้สิ่งตําสารที่เกิดที่มีอยู่ภายในตนเสียเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครช่วยได้แม้พระเจ้าก็ไม่ทรงช่วยได้อย่าว่าแต่ปู่ที่พูดน้ำลายฟุ้งปากแฉะอยู่ขณะนี้เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อช่วยใครไม่ได้ก็จงหันมามองตัวเองช่วยตัวเองอย่าให้เสียไปกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เขาเสียกันถาม ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นปู่ตกลงก็ไม่พ้นคําว่าตัวใครตัวเราอยู่โดยดีแหละซึ่งก็น่าจะขัดต่อธรรมที่สอนให้มีเมตตากรุณาต่อกันหรือปู่มีความเห็นอย่างไรก็สุดแต่จะโปรดตอบเมื่อเขามายินดีกับการช่วยเหลือก็ยังจะหน้าด้านไปช่วยเขาอยู่หรือมีทําหน้าด้านให้คนเมตตาหน้าด้านานําไปช่วยเขาไหมล่ะถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีก็อย่าหาันธรรมกิเลสตัวหยาบยาวจาโผล่ร้เอาจะว่าปู่ไม่บอกคนไข่เต็มโรงพยาบาลหมอช่วยไว้ได้ทุกคนไหมยังมีราย เล็ดลอดตายไปต่อหน้าต่อตาหมอจนได้เรื่อยมาไม่ใช่หรือโรคที่ทําให้คนตายต่อหน้าหมอนั้นมันฟังเสียงหมอเสียงยาเมื่อไหร่แล้วเมตตาเราเก่งกว่าพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเชียวหรือจึงจะสามารถช่วยใครๆได้ทั่วโลกทั้งที่เขาไม่สนใจกับการช่วยเหลือใดๆเลยนี่แหละหลานที่ศัตร์ไม่ไปนิพพานกับพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุนี้พิจารณาเองเถอะอย่าให้แจ้งไปมากปู่แก่แล้วมีแต่ลมหายใจเขมเหลาเมวหอยู่เท่านั้นเองถาม ขอบพระคุณปู่มากที่นี่หลานพอเข้าใจ ว, วิธีปฏิบัติต่อตัวเองและผู้อื่นได้พอประมาณหลานยอมรับผิดที่ห่วงคนอื่นมากเกินเหตุผลอัตธรรมที่ควรเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้พูดมาถึงตอนนี้ก็ทําให้สงสารปู่ตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านอุตส่าห์มเมตตาแนะนําสั่งสอนทั้งที่บางครั้งสุขภาพไม่ค่อยดียังอุตส่าห์ต้อนรับสั่งสอนแต่คนที่ไปหาท่านมีหลายประเภทหลายนิสัยหลายความต้องการดังที่ท่านว่านานาจิตต่างนั่นแหล ตอบใช่บางพวกก็ต่างนาต่างๆไปหาศีลหาธรรมจริงๆที่น่าสงสารแต่บางพวกก็พากันไปเที่ยวตางอากาศเปลี่ยนอารมณ์ในวัดแล้วก็เที่ยวจุนจ้านพูดคุยกันไม่ออมปากปล่อยตามอารมณ์ส่งเสียงอื้อทึกครึกโครมทั่วบริเวณวัดจนลืมคิดว่าที่นั่นเป็นวัดและมีครูอาจารย์พระเนนบําเพ็ญธรรมอยู่ที่นั่นท่านอาจรําคาญได้คิดแต่ความสนุกสนานรื่นเริงไปตามรัฐที่นิสัยของตนบางพวกก็ไปด้วยเสียงเล่าลือว่า ท่านเก่งทางนั้นทางนี้แล้วก็ตื่นข่าวพากันไปเพื่อได้ของดีจากท่านมาอดกันเมื่อไปก็รบกวนขอนั้ น, นขอนี้ท่านเมื่อท่านบอกว่าไม่มีก็ดือดร้อนเถียงท่านว่าท่านมีแล้วซศร้าซีขอจนน่ารำคาญเมื่อไม่ได้ดังใจบางรายก็ผ่านทะเลาะกับพระแล้วกลับไปอ่อนไปก็พูดทิ้งท้ายในลักษณะบาดหมางสาบแช่งต่างๆว่าต่อไปจะไม่มาเหยียบวันนี้อีกจนวันตายพระอะไรอย่างนี้ขออะไรอะไรก็ว่าไม่มีไม่มีจะหวงไว้กินสมบัติอะไรก็ไม่รู้ ตามธรรมดาของพระผู้มีธรรมประจําใจอยู่แล้วท่านไม่เห็นอะไรยิ่งกว่าธรรมตลอดอิอริยาบทท่านคิดฝักไฟใคร่ธรรมอยู่โดยสม่ําเสมอไม่สนใจและเผลอไผลคิดไปโน้นไปนี้ว่าคนนั้นจะมาหาคนนี้จะมาเยี่ยมจะมาหรือไม่ก็เป็นเรื่องเป็นอัธยาศัยของแต่ละคนท่านไม่กังวลกับอะไรมากกว่าการสแสวงหาธรรมด้วยการปฏิบัติมีเดอนจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างยืนรำพึงในธรรมทั้งหลายบ้างให้สติอยู่กับตัว ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ท่านมีความสำรวมระวังอยู่ทุกอิรยาบทนอกจากหลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นท่าแห่งความเพียรเพื่อลากิเลสแลกองทุกทวงโดยตลอดท่านจึงไม่ต้องการสิ่งรบกวนต่างๆถามที่เขามาหาปู่มีหลายพวกตั้งปู่เล่าเรื่องของคนมาวัดทั่วๆไปหรือเปล่าตอบทำไมจะไม่มีมีดังที่เราใฟังนี่แหละอยากพูดว่าแถ่ทุกวันไปบางพวกก็มาขอบัตรขอเบอร์ เวลาพูดอัดพูดทำให้ฟังเขาไม่สนใจคอยแต่จะจับเอาไปตีเป็นเบอร์กันเท่านั้นพวกนี้พวกแสวงความร่ํารวยในทางลัดอยากเป็นเศรษฐีมีเงินล้านด้วยการถูกบาดถูกเบอร์อาจทำบุญบาปอะไรไม่สนใจบางพวกก็แบกคัมภีร์มาเที่ยวไล่พระให้จนถือว่าตนรู้หลักนักปราฉลาดพ อ, พอตัวแต่ส่วนมากมักไม่กลัวบาปเพราะความทะนงตัวว่าเรียนรู้มากรู้หมดหาได้รู้ไม่ว่าตนกําลังเป็นช้างใหญ่ที่ถูกกิเลสตัวเย่อหยิ่งจองของ กว่าคอมาเป็นเครื่องมือถือเป็นพาหนะนั่งบนตะพองละหลังมาอวดดีอวดเก่งกับพระพระแม้แสนโงท่ท่านก็รู้ได้เพราะท่านดูกิเลสต่อสู้กับกิเลสด้วยความเพียรอยู่ทุกเวลาไม่ลดละมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสอดส่องและทําลายข้าสึกบนหัวใจไม่กลมหัวลงให้มันขึ้นนั่งอย่างง่ายได้เมื่อเห็นกิเลสนั่งมันหัวใครก็ตามมาอวดดีอวดเด่นอวดมั่งอวดมีอวดฉลาดหรืออวดอะไรก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสพองตัวท่านจึงอดสังเวชอยู่ภายในไม่ได้ ส่วนมากคนไปวัดมักจะไปดูและจับผิดพระไปคอยให้คะแนนพระและคอยตัดคะแนนพระด้วยวิธีการติพระชมพระว่าวัดนั้นเป็นอย่างนั้นองค์นั้นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่สนใจคอยสอดส่องดูตัวเองว่าดีหรือชั่วประการใดบ้างไม่คอยติตัวเองนอกจากหาเรื่องประปาเถื่อนมาชมตัวเองให้เขาว่าดีและนับถือกันไปห ล, ๆลงๆแรงๆคนเราถ้ามีการสังเกตสอดส่องความประพฤติชั่วดีของตัวบ้างย่อมมีที่ดัดแปลงแก้ไขใหเป็นคนดี เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นได้อย่างน่าชมและสนิทใจบางพวกก็แต่งตัวฟิตปังรัดกุม่มเต็มอัตราศึกมองเห็นหมดกระทั่งขนนั่งนั่งพับเพียบแบบชาวพุทธทั้งหลายไม่ได้จะลดอัตราศึกคือกางเกงแตกระเบิดเป็นอันตรายดูไม่ได้เพราะพิสดารเกินมนุษย์เมื่อแต่งเต็มยศแห่งอัตราศึกแล้วดูลักษณะท่าทางเรากับจะเหาะบินทั้งที่ไม่มีปีกนี่แหล่หลานกิเลสมันทําคนให้ผิดปกติและพิสดารเกินมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายอย่างนี้ ลหลานลูกชาวภูจงพากันทำความเข้าใจกับมันไว้เสมออย่าลืมตัวไม่งั้นเราต้องเป็นเครื่องมือให้มันขับขี่ราวกับยอดยานพาหนะหรือราวตุ๊กตาเคลื่อนที่โดยไม่อาจสงสัยปู่นี้เกิดมานานกิเลส ข, ขึ้นขี่รถบนหัวใจมานานการต่อสู้กับมันมาก็ น, นานและหนักมากแทบไม่มีอะไรเทียบเท่าเสมอได้ในบางครั้งจึงพอรู้เรื่องวิชาคนลวงของมันได้บ้างพอมาเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นคติและพยายามกำจัดมันบ้างแม้ยังมีกิเลสเช่นเดียวกับคนทั่วไป แต่ความมีทาแทรกในชายอยู่บ้างก็ยังมีฮิริโอตะธรรมคนเราไม่ปล่อยตัวแบบลูกโป่งบนอากาโดยถ่ายเดียวไม่ทราบจะตกทิศทางใดไม่มีจุดมีหมายนั่นมันเกินไปสำหรับมนุษย์ที่โลกถือว่ามีศักดิ์ศรีสูงกว่าสัตว์จงพากันพยายามระมัดระวังตัวสมกับเราเป็นผู้รับผิดชอบเราสมัยนี้สิ่งที่จะทาให้เสียคนมีมากจนพรรนาไม่จบซึมซาบพลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจากทั่วโลก คนที่เขานําสิ่งทําลายมนุษย์ผู้โง่เขลามาแจกจ่ายเขาได้เงินแม้ในเขาจะต่ําจะซามแต่เขาก็ไม่เคยสนใจกับความต่ําความสูงยิ่งกว่าสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วฉะนั้นคนโง่จึงเสียเปรียบและเป็นเหยื่อของคนฉลาดร่ําไปไม่อาจมีอะไรมาแก้ให้ตกไปได้นอกจากผู้มีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมซึ่งเหนือความฉลาดของโลกอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้เป็นเครื่องหลบปลีกพลอนคลายสิ่งทําลายจิตใจและสมบัติให้เสียนั้นสังเกตดูก็รู้ก็เห็นเพราะมีเต็มไปหมด แม้ในป่าในเขาอย่าว่าแต่ในบ้านในเมืองที่มีคนมากเลยขอแต่คนมีอยู่ที่ไหนสิ่งทําลายเหล่านี้ต้องมีอยู่กับคนจนได้ทั้งนี้เพราะคนไปเสาะแสวงหามันมาเองสิ่งเหล่านี้แสดงออกได้หลายทางโดยคนโง่อย่างพวกเราไม่อาจทราบได้นอกจากเพลิดเพลินและเคลิ้มหลับไปกับเพลงกล่อมของมันเพราะมีมากต่อมากจนพนาณาไม่จบหลบลางไม่ลงเนื่องจากความชอบและติดใจมีมากสิ่งดังกล่าวนี้บางอย่างก็หยาบโลน และลดหลั่นกันลงมาจนถึงขั้นสุภาพละเอียดละ อ, อสามารถกล่อมได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆทําให้เสียคนได้ตามส่วนของมันและวัยของผู้ถูกกล่อมมีอยู่ทั้งที่ลับและที่เปิดเผยธรรมดาทั่วๆไปโดยไม่อาจคิดว่ามันเป็นภัยหรือมีส่วนเป็นภัยต่อส่วนรวมไม่มีประมาณผู้นําสิ่งเหล่านี้เข้ามาส่วนมากมักมีแต่ผู้มีปัญญาหาเงินในทางนี้ตลอดผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่แทบทั้งนั้นตาสีตาสาไม่มีปัญญาแสวงหามาได้แหละ ฉะนั้นปู่จึงวิจารอนาคตของลูกหลานบ้านเมืองว่าจะเป็นไปนอย่างไรเมื่อการฟื้นฟูกับการทําลายไม่สมดุลกันดังที่รู้ๆเห็นๆอยู่นี้ส่วนมากมักมีแต่การทําลายเพราะเป็นสิ่งที่ชอบและทําได้ง่ายไม่ว่าสิ่งใดเมื่อชอบใจ ย, ย่ำทําได้ง่ายแม้สิ่งนั้นจะทํำยากเหมือนสิ่งดีงามทั่วๆไปก็าตามทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นสำคัญถ้าลงใจได้ชอบและติดพันในทางใดสิ่งใดหรือผู้ใดแล้วการใกล้ชิดติดพันและการกระทําหากเป็นคู่เคียงคู่คลนกันไปเอง เอาละปูเนื่อยขอพักผ่อนขันทีิชราเต็มแก่แล้ววันนี้เพื่อนๆ พ, พ, พามาเยี่ยมปูทราบกิติศัพด์กิติคุณของปูฟุ้งขจรมานานแล้วเมื่อมีโอกาสได้มาหาทางานทางนี้เพื่อนเห็นว่าเป็นคนชอบธรรมะธโมเลยชวนมาจึงได้มีวาสนามากราบปูมาหาทำงานอะไรปูถามตามแต่จะได้งานทำส่วนมากก็ชอบทำงานสูงบ้างนั่นแหละปูปูถามงานอะไรที่สูงน่ะ การราชการแผนกต่างๆที่นิยมกันกองงานที่กินเงินเดือนหลวงน่าจะเป็นครูสอนนักเรียนขึ้นไปจนถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นงานสูงส่งและมีเกียรติมากนั่นแหลที่นิยมกันว่าเป็นงานสูงและสูงส่งมากเพราะเป็นงานเด่นในแผ่นดินปู่ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ท่านนิยมกันมาประจำแผ ด, ดินว่าเป็นงานสูงส่งงานมีเกียรติสูงได้แก่งานที่ทําและการแสวงหาด้วยความสุดจริตยุติธรรม ไม่ช่อไม่โกงไม่ฉุกลักปล้นจี้กดขี่รีดถ่คดโกงใครไม่ขอรับชั้นช่อราดเบียดบางหลวงเหล่านี้จัดว่าเป็นงานสะอาดเป็นงานสูงส่งเป็นงานมีเกียรติเป็นคนมีเกียรติสูงแม้ตาสีตาสาทำไร่ทำนาทำสวนคลาดถ่ขุดดินฟันไม้หาฟืนเผาถ่านม า, าขายก็เป็นงานสูงส่งเพราะทำด้วยมือสะอาดทำด้วยความสุดจริตยุติธรรมไม่เบียดเบียนทำลายผูย้ใดใครๆไม่รังเกียจไม่เกลียดชังนอกจากเห็นใจและสงสารเป็นตำตามกัน หลาน่าจะคิดผิดไปเพราะไม่แยกแยะงานว่างานใดเป็นไปเพื่อถูกหรือเพื่อผิดงานใดเป็นไปเพื่อสุจริตยุติธรรมหรือเป็นไปเพื่อทุจริตปิจิใจมนุษย์และทําลายชาติบ้านเมืองควรแยกงานดังปู่พูดไว้เบื้องต้นนั้นก่อนสิหลานงานคดโกงรีดไถ่ช่อราดบางหลวงเป็นต้นนั้นคืองานต่ํางานไม่สะอาดงานสกปรกรกข้อองานเบียดเบียนทลายงานที่คนรังเกียจทั้งแผ่นดินงานทําลายสมบัติและจิตใจมนุษย์ นัไปกว่านั้นก็เป็นงานทำลายชาติให้ลมชมมิใช่งานที่สูงส่งและน่าชมเชยและน่าชมเชยสันเสริญอะไรเลยความจริงโลกเขาไม่นิยมหรอกหากแต่ผู้สกรปรกพ้อมือและใจไม่สะอาดเขานิยมกันเองต่างหากถามทำไมาโลกจึงนิยมรักชอบคักหนาว่างานราชการเป็นงานสูงส่งเป็นงานมีเกียรติยศชื่อเสียงลักปู่ตอบอันงานราชการตามหลักปกครองนั้นสูงส่งและมีเกียรติยศชื่อเสียงจริงแต่ผู้ทำงานในวงราชการเป็นสําคัญ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 ปากท้องจะว่างงานไปด้วยแล้วจะเป็นทุกข์แก่เรานั่นแลถามปู่เวลาคนตายทําไมต้องนิมนต์พระมาสวดกุสลามาติกาบางสกุลให้เมืองไทยเรามีทั่วประเทศไม่สวดไม่ได้หรือหลานสงสัยต้องขอประทานโทษถ้าเป็นความเข้าใจผิดแต่หลานไม่ได้ปักใจว่าที่ทํานั้นไม่ถูกเป็นแต่เพียงสงสัยจึงกราบเรียนถามปู่พอเข้าใจในเรื่องราวและหายสงสัยเท่านั้นเองตอบไม่สวดก็ได้ใครจะทําโทษ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 จำต้องทำเผื่อไว้ดีกว่าปล่อยตามบุญตามกรรมถามในครั้งพระพุทธเจ้าเวลาคนตายแล้วนิมนต์พระไปสวดกุสลามาติกาดังนี้ไม่ปู่ตอบมีแต่ท่านไปโปรงกรรมฐานพิจารณาซากศพที่ตายแล้วเป็นอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตาเกิดมาแล้วต้องตายเมื่อีรังยั่งยืนกลายเป็นซากเป็นศพเปื่อยเน่าผุพังหาสาระแก่นสารไม่ได้แล้วนึกน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าจะต้องเป็นเช่นเดียวกัน เพื่อให้สติปัญญาจากสร้างศพนั้นไม่ประมาทบางรายได้สําเร็จมากผลเพราะการพิจารณาสร้างศพนั้นก็มีท่านจึงสอนให้พระไปเที่ยวกรรมฐานตามป่าชาซึ่งถือเป็นทุดดวงวัดเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้นี่มีในทุดดง13าข้อค้นดูก็ยังได้ถามทุกวันนี้ไม่เห็นพระไปเยี่ยมป่าชาดังครั้งพุทธการท่านทำกันเห็นเฉพาะเวลาคนตายแล้วเขานิมนต์ท่านมาสวดกุศลามาตริกาเท่านั้นตอบถึงไม่ปรากฏเห็นก็ยังมี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 อย่ามาพูดในที่นี้เดี๋ยวพระธุดงค์จะแตกวัดกันทั้งหมดจะว่าไม่บอกโน่นไปพูดกับพวกบ้าเทินสมัยด้วยการโน่นถามโอ้โ oh, ห oh, ตายจริงสารพูดผิดไปต้องขอพระทานโทษมากมากด้วยปู่มันหลุดปากออกมายัางไงอันสมัยบา้บาบบ่อนี่มันชินปากชินใจจึงหลุดปากออกมาอย่างงไไ่ายดายเรากับม่ได้คิดคล่องปากจริงสิ่งที่ไม่ให้คล่องอย่างนี้บทพานั่งภาวนาพูดโท oh, ไม่เห็นในเรื่องคอยแต่จะคิดไปร้อยแปดหน้าโมโห oh, oh, จริงๆ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 ถามปู่ครับพวกหลานมากราบเยี่ยมปู่เพราะได้ยินกิติศัากกิติคุณปู่มานานแต่จะไม่ขอรู ป, ปูนอะไรมากมีข้องใจอยู่อย่างหนึ่งที่คนเขาว่าตายแล้วศูนย์ไม่ได้เกิดเป็นอะไรต่อไปอีกเลยตลอดไปความจริงที่าศาสนาสอนไว้เป็นอย่างไรปู่ตอบคำทีกิเลสสอนไว้ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีสัตว์ทั่วโลกธาตุตายแล้วสูญสิ้นโดยประการทั้งปวง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 นอกนั้นเป็นเฉพวกตกอยู่ในแหล่งแห่งความเกิดแล้วตายเล่าตลอดไปจนกว่าจะทําใจซึ่งเป็นที่ฝังจมของเชื้อแห่งภกชาติให้สิ้นจากเชื้อนี้โดยสิ้นเชิงแล้วจึงจะสิ้นสุดยุติการเกิดตายอย่างหมดเยื่อใยให้หลานเลธิกไฟนโนเองจะเอาคัมภีร์กิเลที่ชื่อว่าคัมภีแสนปริ่นปร่อนหลอกลวงสัตว์ก็ได้จะเอาคัมภีร์ทำที่ชื่อว่าคัมภีร์เด็ดเพชรนำหนึ่งในการสังหารกิเลสก็ได้หรือจะเอาเป็นคาถาว่ากิเลต ท, ทุกประเภทสราณัคชามิขึ้นชื่อว่ากิเลตแล้ว เรากว้าหมดก็ได้พุทธังธรรมังสังฆังสลาณังคาถามิขึ้นชื่อว่าพระรันะตนตรัยแล้วเราน้อมรับหมดก็ได้ถามโอ้โ oh หคมภีร์ของปู่นี่พิสดารจริงเพิ่งได้ยินนี่เองไปเรียนมาจากไหนปู่หลานไม่เคยได้ยินใครพูดมาก่อนเลยตอบเรียนมาจากป่าจากเขาจากถ้ำเงื่อมผ้าป่าช้าป่าชัดซอกพ้วยริมทานและจากความอดอยากขาดแคลนจากความเด่นตาในการเรียนการปฏิบัติตามคาถาเหล่านี้ ไม่ใช่ได้มาอย่างสะดวกสบายดังผู้มาเยี่ยมทั้งหลายที่ถามเอาถามเอา ถ, าอาถ้าอยากรู้ประจักกับตัวเองไม่ต้องแบกความสงสัยอันหนักหน่วงต่อไปว่าตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วสูญก็ต้องปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาตามธรรมที่ท่านสอนไว้เมื่อการปฏิบัติและผลสมบุรณ์แล้วคําว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญจะไม่นอกเหนือไปจากการพิสูจน์ ด, ด้วยข้อปฏิบัติไปได้เลยต้องรู้ต้องเห็นเพราะเป็นหนทางให้รู้ให้เห็นความจริงโดยตรงเพราะพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นยำนวนล้านล้าน ลพิสูจน์จากธรรมปฏิบัติจิตธภาวนาทั้งสิน้นท่านจึงรู้ได้เห็นได้โดยไม่ต้องถามกันและถามใครแล้วนำธรรมเหล่านั้นมาสอนโลกโดยผลัดเปลี่ยนกันมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณโคโดมของพวกเราชาวพุทธให้ได้กราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามอยู่เวลานี้จะสงสัยไปไหนกิเลสเคยหลอกโลกให้สงสัยและล่มจมมามากตมากและนานแสนนานแล้วทําไมจึงไม่พากันเบื่อหน่ายอิ่มพอในโทษของมันบ้างพอได้ลืมตาอ้าปากเข้าสู่ธรรมดวงประเสริฐเลิศในไใจพ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 จงทำลายอาวิชชาภายในใจออกให้หมดเมื่ออวิชชาสิ้นสากการเกิดตายก็สิ้นซากไปตามๆกันอย่างไม่มีปัญหาแต่การตายละสูนนั้นมันเพลงอาัศาจรรย์ของอวิชชากรมสัตว์โลกให้ตาบอดถังหา่าไม่มีความจริงแม้ห่งอร์แฝงอยู่เลยมันโกหกร้อแท้ๆจงจำจงเข็ดหลาบในเพลงของมันอย่าหานไปลองถ้ามัอยากตาบอดตลอดกับกันจะว่าปู่ไม่บอกปู่สงสารรีบบอกอยู่ตรงๆนี่แหละฟังนะคำว่าตายสูนไม่มีอย่าเชื่อ อวิชาอุตริไร่มนโกโหกสัตว์โลกแต่คำว่าตายแล้วเกิดนั่นมีทโทษในโลกธาตุพระธรรมท่านประกาศยืนยันเรื่อยมาจงเป็นที่ลงใจและมั่นใจจะ่ารนเรเดี๋ยววิชาคว้าไปต้มยำขยำกับน้ำพริกจะว่าปูไม่ฉุดไม่คว้าเอาไว้ปล่อยให้จมไปกับมันเอาละพอกินพอใช้ขนาดนี้แล้วไปปูเหนื่อยถามกราบเปลี่ยนถามปูบ้างเล็กน้อยขอประธานโทษ ด, ด้วยที่มารบกวนเวลาและทาตขันปูเรื่องที่น่าให้สงสัยมีอยู่ว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนา คนนับถือศาสนาพุทยอย่างน้อย 80% แต่ผลที่แสดงออกทุกสถานที่การเวลามีแต่ผลลบที่ขัดแย้งกับคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ละวันเวลาแสดงออกแต่สิ่งไม่ดีเช่นการปล้นยี้ลวงกระเป๋าตระบะยักยอกตีชิงวิ่งราวคดโกงรีดไยร้อยแปดล้วนเป็นของไม่ดีและขัดต่อศีลธรรมของชาวพุทธจึงทาให้สงสัยว่าการนับถือศาสนานั้นนับถืออย่างไรกันเรื่องถึงได้เป็นอยู่อย่างนี้ จะแก้ไขยอย่างไรจึงจะตรงกับเป้าหมายของพุทธศาสนาที่มุ่งหมายให้ผู้นับถือเป็นคนดีมีความสงบสุขทั่วนากันกรณุณาปู่ช่วยเมตตาชี้แจงด้วยตอบคำว่านับถือศาสนากับการปฏิบัติตามหลักศาสะนธรรมนั้นมันต่างกันหลานการนับถือนั้นคือความยอมรับว่าดีไม่ขัดไม่แยง้งไม่แข่งดีแข่งเด่นไม่ดูมิ่นเหยียดยามความเทิดทูนความเทิดทูนไว้บนหัวหรือบนเสียงกล่าวแม้จะปฏิบัติตามไม่ได้ แต่ก็ไม่นำกิริยาที่แข็งกระด้างอวดอ้างว่าตัวดีตัวเก่งเข้าไปกล้ำกลายาศาสนายกาศาสนาไว้บูชาบนหัวใจอยู่เสมอนี่เรียกว่าความนับถือาศาสนาส่วนการปฏิบัตินั้นคือปฏิบัติตามหลกักศีลหลักธรรมด้วยกายวาจาใจไม่ล่วงเกินฝา่าฝืนหลักของศีลธรรมที่ห้ามไว้ปฏิบัติตามสิ่งที่าศาสนาอนุญาตเท่านั้นเช่นอุบาสกอุบาสิกาและพระเนรผู้ตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลธรรมกันจริงๆท่านปฏิบัติตามจริงๆ ไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนสิขาบทน้อยใหญ่ใดๆทั้งสิน้นท่านเคารพแทนองค์ศาสนผู้ประส菩สศาสนาธรรมไว้นี่เรียกว่าการปฏิบัติการนับถือแต่ม่ได้ปฏิบัติตามหลักสินธรรมคนเราย่อมรวมตัวทําในสิ่งนอกเหนือสินธรรมได้ดังที่รูรูเห็นเห็นกันอยู่นั่นคือเขาไม่ได้ปฏิบัติสินธรรมเป็นเพียงนับถือเฉยเฉเช่นเวลาเดินผ่านหน้าวัดหรือมองเห็นพระก็ยกมือไหว้เสียทีแล้วก็เดินผ่านไปไม่ได้ตั้งมัดตั้งมอย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 หรือระเบิดในที่ชุมนุมชนและรถรามากย่อมมีทางผิดพลาดและเกิดเหตุการณ์ได้ไม่เลือการสถานที่นอกจากเหตุสุดวิสัยแล้วผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมจะไม่ทําอันการปล้นจีซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายหยาบโลนมากนั้นนับว่าห่างไกลกับผู้มีสินธรรมมากไม่ต้องพูดถึงอย่างไรถ้าเหล่านี้จะไม่ลงใจทําได้ลงคอเลยบ้านเมืองและทรัพย์สมบัติสงบเย็นทุกหย่อมย่านนั่นแลสมบัติเงินทองของมีค่าจะทิ้งไว้ที่ไหนก็ทิ้งไว้ได้รากับบ้านเรือนของตนนั่นแล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 เพราะต่างคนต่างมีจิตใจกลมกลืนไปด้วยอภัยธรรมเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมความพรอยินดีไม่อิจฉาริษยาเมื่อคนอื่นได้ดีอุเบกขาธรรมให้ความสมอเสมอไม่มองกันในแง่ร้า ย, า ย, ายหมายโทษโกรธเคืองมีความเคารพรักกันทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยตามระดับําดาฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงเป็นผู้ทําประโยชน์แก่ส่วนรวมและแก่โลกได้เป็นอย่างดีอย่างเด่นในปวงชนนี่แหละการนับถือศาสนาเฉยๆกับการปฏิบัติศาสนามีผลผิดกันดังที่กล่าวมา ถ้าอยากให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นต่างคนก็จําต้องปฏิบัติตัวตามหลักศีลธรรมไม่ลวงเกินฝ่าฝืนซึ่งเป็นการทําลายตนและศีลธรรมไปด้วยในตัวของผู้นั้นถ้ามีแต่อยากให้บ้านเมืองมีความสงบรล่มเย็นปราศจากโจรผู้ร้ายแต่ตัวเองกลับเป็นโจรผู้ร้ายเป็นผู้ก่อกวนทําลายบ้านเมืองและทรัพย์สมบัติของประชาชนเสเองแล้วจะหาความสงบปล่มเย็นมาจากไหนแม้แผ่นดินสลายแต่ความชั่วจากคนชั่วก็ไม่สลายไปตามสัตว์บุคคลมีอยู่บนอากาศพวกเหลวร้ายนี้ก็จะตามไปก่อกวนทําลาย ให้สมบัติเงินทองและจิตใจคนและสัตว์ให้พินาศขาสูญอยู่นั่นแหลเนื่องจากความชั่วไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแต่ขึ้นอยู่กับคนโดยเฉพาะคนทำดีคนจึงร่มเย็นโลกทำดีโลกจึงร่มเย็นเรื่องความจริงมีดังที่กล่าวมาดังนั้นถ้าอยากเห็นความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาธรรมผู้นับถือศาสนาจึงควรปฏิบัติตามหลักของศาสนาอย่าเพียงนับถือเฉยเฉยราวกับเด็กเล่นตุกาตากลางสนามหญ้าเพระาะศาสนาไม่ใช่ตุกตา พอจะถูกบีบถูกค้นโยนไปเหวี่ยงมาอยู่เฉยๆแต่ศาสนาเป็นธรรมศักดิ์สิทธิ์วิเศษสมนามจริงๆถ้าอยากสร้างความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาและของตัวเองก็จงปฏิบัติจงพิสูจน์กันตรงนี้อย่าถือศาสนาเพื่อเป็นข้อแก้ตัวและประดับเกียรติจะไม่ผิดกับลิงได้แก้วเด็กได้ตุ๊กตาจะเพาะพุทธศาสนากระทือนโลกมาได้ันกว่าปีนี้แล้วองค์แด้เปิด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 ซึ่งปราบได้ทุกประเภทของราคะตัณหาไม่มีตัณหาตัวไหนจะเก่งกล้าเลยศีลข้อเด็ดๆนี้ไปได้ทนะมะปราบนอกจากปล่อยตัวให้ราคะตัณหามันปราบราบโดยไม่คิดต่อสู้เพื่อกู้ชาติมนุษย์อันสูงศักไว้เท่านั้นก็ไม่มีใครช่วยได้ปล่อยให้เป็นเศษมนุษย์ไปต่อหน้าต่อตาที่นาเสียดายและตุเลธ ข, ข้อโลภมากปากกว้างพุงโตกว่าภูเขาก็นำทำข้อทำสันโดษหรือความมักน้อยมาปราบก็อยู่เองไม่กล้าหือได้หรือจะนำ มรณะสติข้อเราลึกถึงความตายมาปราบว่าจะมัวแต่โลภอยู่นั้นไม่มองดูความตายที่อาปากจะกลื้นหมดทั้งตัวอยู่ทุกลมหายใจบ้างหรือตายแล้วเคยเห็นใครหรือคนครอบครัวสมบัติเงินทองกองมาคือมาไปไปด้วยได้ไดหล่อรู้หรื อ, อยังว่าความโลภมันหลอกให้ลืมตายลืมป่าชาตินนะ่ะกิเลตัวโลภมากๆมันเคยพาผู้ใดให้มีความสุขสบายมีไหมเห็นแต่โลภมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้น ได้เท่านี้แล้วมันต้องหลอกว่าให้ได้เท่านั้นเท่านั้น จ, จนตายก็ตายไปเปล่าไม่มีคําให้อิ่มพอจากกิเลสตัวโลภมากกระตุกเจ้าของเพียงที่กล่าวมานี้กิเลสตัวโลภมหาภัยก็สยบลงไม่กล้าลุกลามพามไปมากเลยนี่แหละทำปราบกิเลสตัวโลภมากถอยากมีความสุขจงพากันนําไปไปปราบกิเลสตัวไฟลามทุ่งให้ดับมอดลงจะจะเป็นสุขอย่างไม่คาดไม่ฝันที่จะให้มีความสุขเพราะความโลภมากจนให้เพียงพอนั้น จนวันตายก็ตายไปเปล่าทั้งที่หิวโหยด้วยความอยากความโลภอยู่นั่นแหละจะไม่มีวันพอตลอดกับกันหรือเลยนั้นไปเป็นแสนกับล้านกันเพราะสัตว์ในแดนโลกธาตนี้ไม่เคยมีสัตว์โลกรายใดมีความสุขเพราะความโลภมากและเพราะมันพอตัวอิ่มตัวนอกจากลดความโลภลงด้วยทำโดยดาดับจนไม่มีเหลือภายในใจเท่านั้นจึงจะถึงหนองอ้อแห่งความสุขอันแท้ จ, จริงว่าออใจไม่มีความโลภสุขอย่างอัศจรรย์นี้ล่ะหรือ ใจไม่มีความอิจฉาริษยาผู้อื่นมีความสุขอัศจรรย์อย่างนี้หรือใจไม่มีราคาตันหานา้ำรดน่งท่วมหัวใจบีบบังคับขยี้ขย้ำหัวใจเป็นความสุขอัศจรรย์อย่างนี้หรือหนองอ้ออุทานความสุขจะผุดขึ้นที่ใจดวงนั้นเองในทันทีทันใดที่กิเล ต, ตัวมหาภัยทั้งหลายเหล่านี้หลุดลอยไปจากใจฉะนั้นการนำธรรมมาปฏิบัติทํำก็ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราแม้เราเองก็ศักดิ์สิทธิ์ต่อตัวเอง และยังจะเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้ของผู้อื่นอีกมากมายจนถึงขั้นจนถึงขั้นหาประมาณไม่ได้นอนแลนี่คือผลแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นผลอายมพทัทนตาปิดกับการนับถือเฉยๆลอยๆอยู่มากจงจดจำเอาไปปฏิบัติเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แก่ตัวเองก็พอตัวแล้ว